สิกขาบทที่7ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วไม่ปรนรณาในสงสองฝ่ายด้วยฐานะสามต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตี